ด้วยเจ้าดังเทนาทั้งเรื่องสติปัฏฐานนี่ก็เป็นประธานของธรรมทั้งปวงสติปัฏฐานเปที่ตั้งของธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ยว่าสติปัฏฐานตั้งใจพิจารณาเฉพาะกายเฉพาะเวทนา ก็จิดจะก็ทำที่อย่างตัวนี้แหละอาก็ว่าที่อย่างเป็นอาการรวมเขาก็สติตัวนั้นนะ่ะเป็นของทุกังนันสติตนี้นนนใช้ได้ทั่วไปหมดแต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุดก็สติตัวเดียวเท่านะั้น พพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าเทศนาอยู่45ปี45ปีรวมแล้วก็มาลงสติตัวเดียวเพื่อประมาทเทศนะสัมปาเดชัทงท่านทั้งหลายจ้ายังขอมไปข้างหน้าจะถึงร้อมเถิดแล้วก็ปิดประโอดไม่ต้องพูดต่อไป เรื่องาระกรรมฐานทั้งหลายอบรมกรรมฐานคณาจารย์ต่างๆที่อบรมวนแล้วแต่ลงสติตัวเดียวแต่หากเคยจมีชํานานทั้งไหนก็อธิบายไปตามเรื่องของตม อย่างขอหัดยุดหนอข้อหนอ่อก็อสติให้อยู่ที่ยุดที่พองคือเกิดดับให้อยู่ในที่อื่นให้ตั้งสติอยู่ในตรงนั้นสัมมารหังก็ตั้งสติตัวเดียวนั้นอย่างพุทโทหรอนาปารสติ เขาตั้งสติให้อยู่ที่เดียวนั้นร่วมควมว่าสติตนี้ใช่ใดหมดเลยเขาใช้ไก็ได้แม่แต่ที่สุดเขาใช้เส็นอย่างเล้เส็นดาอย่างเล็กแยงรูเเงเ้เข็มเขาก็เอาสติตังนั้นตั้งไว้ ที่เล็กกันนะคันาจาสติไม่ต่างไว้ไม่ถึงไม่ถูกพลาดไปเลยทีเดียวสติตอนนี้นยิงสำคัญยิงปืนเขาก็เอาสติต่านี้นหละตั้งสักอจดช่องศูนย์เลี้ยงศูนย์ในเป้าหมาย แต่ฟ้าน้าก็ยังไม่ถูกอยู่ันยังพลาดจนใดไต้ลวดเดินจะผ่านไมรลำเดียวก็สตินั่นแหละกดกลึงทุกสิ่งทุกส่วนในกายของเขาสติกำหนดให้มั่นคงจึงจะเดินตลอด มันจะไต่ลวดได้แต่หากสติอนั้นมันออกไปภายนอกมันส่งไาภายนอกส่งไปจุดจ้องทิ่อื่นไม่ได้จุดจ้องที่จิตมันยังไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน ยังเป็นไปไม่เป็นไปเกี่ยวกับความทุกข์แตถึงขนาดนั้นก็ได้ประโยชน์อโคเกเจ็บเงินเจ็บทองได้มากมายเป็นอาชีพของเขาคราวนี้ถ้าหากเราแห่งพิจารณาจิตของเราแล้วคราวนี้จะม่ดีกว่านั้นหรือจะไม่ได้ประโยชน์กว่านั้นหรือ ประโยชน์้นจะพึงได้ส่วนที่เพ่งมีจิตเป็นของรู้เรื่องของจิตเพ่งดูจิตรู้เรื่องของจิตจิตมันคิดนึกอะไรก็รู้เรื่องของมันอยู่ตลอดเวลา คิั่วคิดตีคิดชั่วก็รู้ตัวอยู่คิดหยาบละเอียดก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ไม่คิดมันอยู่ที่เฉยก็รู้จักว่าจิตที่เฉยอยูตลอดเวลาการรู้จิตของตอนนี่แมันเป็นผลให ใน้ความสงบถ้าหากรู้เมื่ อ, อไรละสงบเมื่อนั้นถ้าไม่รู้มันส่งวุน่นวี่วุนวายไปต่างๆตามไม่ทันทันรู้แล้วตามทันเห็นมันมันอยู่ล่งปัจจุบันเลย ติดนึกอะไรต่างหยุดถอนวะดอยู่อันเดียวแน่วแน่อยู่อันเดียวรู้เ่นี้ก็พอละไม่ต้องไปอยากรู้มา ก, กาเห็นผีปีศาเห็นเทวดาวิญพรมาแดต่างมันมน่ามาส่งส่งในไม่ใช่ส่งนอก มันเห็นมันส่งอย่างเราเห็นเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยตาเห็นโลกมันก็ส่งออกไปมันยังก็เห็นตาไม่ส่งออกมันก็ไม่เห็นหูฟังเสียงมันก็ส่งออกไปมันไปหาว่าโถจริงที่มันดังหุ่เรื่องขมันส่งนอกนี้ส่งในแล้วกัน ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนเห็นเกิดนีมีดขึ้นมามันส่งไปตามความรู้นะ่ะมันส่งไปตามความเห็นคนคิดเขาไม่สรุงแต่งอะไทั้งหลายเหล่านะั้นมันส่งไปนะ่ะอันนี้เรียกว่าส่งในส่งในก็ส่งนอกก็ไม่คิดอะไรกันขึ้นออกจากจิตจากใจเดิม ใจเดิมแท้นั้นมันไม่มีอะไรหรอกของเฉยๆของว่างๆใ น, นใจเดิมแท้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่ชิดดีที่เชื่อเรียกว่าใจเดิมใจเดิมนี่แหละมันออกไปจากตัวเดิมเนี่มันยังค่อยออกไปเลยไปปรุงไปแต่ ไปคิดไปนึกเลยเรียกว่าจิตเนี่ยคราวนี้เราปตามก็คุดจิตมตามไม่ทันสักทีคิดนึกสงสัยแต่มากมายอะไรก็เห็นแหละเห็นจิตตามล้จิต ค, คำที่ว่ากรรมฐ า, านสอนกันว่า ตามรู้จิตรู้จิตมันตามรู้ไม่เฉดรู้เท่ามันถ้ารู้เท่ามันรู้ตัวไปแล้วมันก็หยุดคงที่สิเดตามรู้มันก็ไปตามลอยไปนล้วสิมันไปแล้วยังค่ยเห็นยังค่ยยังค่อยตามมันไปรู้เท่ามันคงอยู่มันเท่าตัวมันเองมันพอดีพองานเท่าตัวมันเลย ไม่มากไม่น้อยกว่าตัวมันก็อยู่คงที่ทั้งทีรูเท่ากับตามรูมันผิดกันคนที่เข้าไปหายจิตเดิมแล้วมันอยู่คงที่มันนี้ใส่เลยมานิ่งเฉย อ, อยู่อันนั้นเรียกว่ารูเท่าตัวสติตอนนั้นก่อนที่จะเข้าถึงนั้น ต้องมีสติตามรู้จิตสติตัวนี้ยังใช้ได้ประโยชน์มากเมื่อรู้จิตได้จิตอันไม่ไปก็เลยการเป็นเปนกาย ร, รู้เท่ารู้เท่าก็เลยเข้าเข้าถึงตัวเดิมคือตัวใจอันนี้แหละให้รู้ใจเดิมตัวนั้น จะมีประโยชน์อะไรขานี้รู้ใจเดิมนะมีประโยชน์ที่จะให้รู้จักว่าใจเดิมเป็นยังไงจิตนันเป็นยังไงนั่นแรกก่อนรู้จักประโยชน์ตรงนั้นได้ก่อนคิดนึกสงสัยสารทัศน์ท้งฝูงมดนั่นตรงมันแต่งเออันนั้นมันจิต มันตัวใจเดิมแท้มันไม่มีอะไรแล้วค่าวนี้ทั้งเกตดูเขาเมื่อเข้าถึงใจเดิมกับไปถึงจิตกับจิตในที่ไปตามจิตนั้นอะไรไมันจะดีเขากันจิตในมันปรุงมันแต่งมันคิดมันส่งสายสัมพัธ์ทุกอย่าง ให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ร่ำไรร้องไห้ไม่ใช่ใจเดิมตัวจิตแต่นั้นไปปรุงไปแต่งไปยึดไปถือสารภาพทุกอย่างอ่ะมันตัวจิตตัวนั้นอ่ะมันไปปุงไปแต่งเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าถึงจะเดิมเมื่อมีอะไรเชื้ออยู่ น่นเรียกว่าให้รู้จักเพียงแค่นั้นี่ก่อนนะครันี่รู้เรื่องว่าไปเดิมมันจะเป็นประโยชน์อะไรครับนมันรู้เฉยอย่างนั้นเป็นประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีปัญญาคิดมึกอะไรไม่ได้ไม่เกิดปัญญา ขอให้เกิดไม่เกิดเอาไว้ก่อนฝึกฝนอบรมใจเดินมันมีพลังเพียงพอเต็มที่ก็ตอนเวลามันออกมันออกเองหรอกเวลามันเกิดปัญญาออาไต่างๆมันนั่งเกิดเองกันหอ่าก็มันไม่เกิดพอมันออกจากใจเดิม เมื่อมันมีพลังเต็มที่แล้วค้านี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรมัาชบเหตุผล ต, ต่างๆเรื่องราวต่างๆเกิความรู้สึกขึ้นมาแปลกประหลาดหน้าจิดจัน ส, สิ่งที่รู้แล้วแต่ไม่แปลว่ามันไม่ไม่เหมือนกับบุก รู้มันกา น, นเคยรู้ <S <S 2> <S 2> เคยได้ยินได้ฟังเอาบานกันนะกัอนแต่ขานี้มันออก <S 2> <S 2> <S ขานี้มันไม่เหมือนขามันจะเกยความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญารา น, นี้มันจะเกิดปัญญาเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง ตรงนั้นนั่นใครรู้เองบอกมันมีใครบอกให้ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดบังออมันก็เกิดตรงนั้นน่ะมันจะหลงอ้อมมันก็ตรงนั้นน่ะคุณประโยชน์ของเขาถึงใจเดิมมันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะออกใจ เ, กดเดิมแล้วมันจะเป็นลูกบังอ้อมตรงนั้นคนเราอยากจละได้ทวรู้ ก็เข้าไปถึงความสงบไปถึงใจเดิมแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่รู้เนอะทำไมเป็นงนี้เนอะก็เลยส่งสายหาเจะความรู้เมื่อความรู้ไม่กไมเกิดก็เลยเอาสัญญาไปจำเอาจากตำรับตำลาจากคำพูด อะไรต่างๆมาคิดมา น, นึกหาว่าเป็นมิปัสนาจะแล้วค่าวนี่นไม่ใช่ปัสนามันนึกเอาเองมิปัสนาความลู้แฉ่งหจริ ง, รงมันก็หลวงบางอ้อเนี่ยสิไม่หลงบางอ้มงงอมันจะเป็นรู้จริงเจริยั ง, งไงได้ มันที่ลงบังก้อเนี่ยมันมันเป็นอุบายมเป็นเงียบคายของแต่ละคนบอกกันไม่ถูกหรอกอุบายอุบายมันเป็นเรื่องเทศเรื่องอธิบายกันฟังได้มันไม่ลงบังอ้อเงียบคายมันเป็นของใสของมันคงจะขอส่วนตัวมันจึงลงบังอ้อ น่าจ็จาไม่ลืมด้วยกว้างขวางพิสดานมากเหตุนั้นถึงว่าอย่าได้ทะยอทยานดิด้นลนมันจะเป็นอะีรอะไรประกอบให้เป็นไปถึงตั้งสติกังมดอยู่นั่นแหละรักษากังโดจิตนั่น มามากมายทีเดียวพู่ที่ท่านทำมาแล้วทำมามากมายทีเดียวท่านยันมันนั้นเคยพูดอยู่สเสม อ, สม อ, สมอตอนนี้ท่านหกสิบห้าสิบหกสิบวันี้พเจาณาถึงเรื่องอาการสามทิ่สอง ท่านพูดว่าตั้งสตีกำ น, นดพิจารณาการสาธิสองมาได้ยี่ทิบสองปีแล้วยังไม่ทิ้งตปถึงสมัยท่านก็พูดให้ฟังต่อท่านนี่ต้องเก็บกีบกลัวแล้ว มีพิจารณากายผมพิ่จรนากา ย, ากายตั้งแต่โตมาจนตลอดตา น, นี้ขาะใดที่มีภาละธุระกลางงานมา ก, มากหมู่มากไม่เคยเด้พิจารณากายไม่ชัดใน่จรงขณะนั้นเรียกว่าเสื่อมขณะดใดท่าหาด ในวิเวศพิยน า, าการมีสํานานคร้องแค่ก็จะรินลุกสิทลุกหาของผมที่มาอบลมมากมายถ้าหากใครมั่นในกายกตาคือพิยน า, ากายสติตั้งมั่นอยู่พิ่จานาเัาจะหล ด, ดงอกงาม ถ้าหากทั่งเผลอหลง ล, ล, ลือมหรือว่าทำสิ่งอื่นหรือไปจัดมน่นบายนี้ไม่เอาอันเดียวจเจริญไม่ติดไม่ระจิตไะต่อกันหรือหากทิ้งเสีคนนั่งก็ไปไม่ทอดท่านพูดอย่างนี้ทิ้งอย่างท่านว่า สติปัะฐานตั้งมั่นเป็นที่แล้วพระพุทาเจ้เทศสนาอยู่อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีต้องเด็ดสเด็จมรรคผลนิพพานอย่างช้าก็อย่างน้อยก็ได้เพียงอนาคา มันจะเทเทศนะอะไรอย่างนั้นถ้าเจียงลองลองดูสิคราวนี้ตั้งมั่นลงพิจารณาจิตอันเดียวเนี่ยอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ไหมวันหนึ่งได้ไหมเปล่าไม่ได้ไม่ได้ก็เหลือสิ ช่วงมือหนึ่ง ไ, ไ, มไม่ได้ก็เลวสิมันไม่ถึงเจ็ดวันนี่ถ้าถึงเจ็ดวันแล้วถ้าหาเขาไม่ได้จึงค่อยบอกว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศนาไม่จริงนี่ทําไม้ถึงเจ็ดวันนี่มันท่านว่าไปอย่างเร็วอย่างช้าปีหนึ่งสองปีไปตามลำดับถึงเจ็ดปี ตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นแหละแค่นั้นที่สมทันทีความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดสมายหมดความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเกี่ยวของตั้งสติกำหนดคนจะตายก็บอกให้ตั้งสติคนทำพังพ้งๆเอาเอะก็สอนเราไม่มีสตินี่ นคนที่มันน่งมีสติแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นเราเผือต้อ ง, ง, ๆๆๆ ง, ง, งตั้งเราเผื่อต้ลงหลงรลืมสติที่เขาใช้กันโดยมากทำการทำงานอะไรต่างๆมีสติอยู่รอบครอบยัเคยการงานอะไรยังคอยรุ่ร่วงไปได้แล้วสติภายนอกอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่สติภายในทำอะไรทุกเก่งทุกอย่างต้องสติทั้งนั้นเนี่ยสติมีอีิสงมากหมายล้ายประการเพื่อที่จะกัณนานับเบื้องต้นแต่บริกรรมก็ตัวสติปริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าหากเอาพุโทโธนั้นอย่างเดียวไม่เป็นภาวนามไม่เป็น ตั้งสติกำหนดุธโธนะเป็นแต่จุดหมายแล้วเฉยเฉยนเนี่ยไปกำหนดเอาพุธโธนะเป็นจุดหมายมานันที่มันสติไปยับไปตั้งอยู่นั่นแต่ความจริงแล้วนั่นเอาตัวใจที่ไปดูพุทโธ น, น, น, นะเอาสติไปกำหนดเอา มีพุโทพธโธพทโธอยู่แล้วแต่คำนั้นเอาตัใจนั่นในในก็าไปตัวนั้นอีกยิ่งเคยเป็นภาวนาะยิ่งเยเป็นสมาธิเราจะมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเอาเยอเอาละถึงร้องไห้ร้องโหยก็เอ า, อาอเอทุกอย่างที่สุดถึงร้องไห้เอาความร้องไหนะ้นั่นเอาเอาสติไปตั้งตัวร้องไหนะ้น่ เอาไปั้งเตรงนั้นลองลดูสิมนนี้มันั้งไว้อยู่สิมันยังร้องไห้แล้วตีไปจ้างตรงนั้นน่มันหายหมดแล้วยเข้าไปน้อมเข้าไปเอาติกจิตนั่นอีกอันที่ร้องไห้นั่นอีกใครเป็นคนร้องไห้ใครเป็นคนทุกเดือดร้อนจ้างเาตรงนั้นหายหมดแต่คนไม่เอาไปใช้ อยากจะร้องไห้ไปนอเอานออคนอื่นส่งไปน้วยมันสนุกสนานร้องไห้ก็สนุกไม่ใช่ไหมสนุกเห็นเป็นของดีเลือเ่อประเสริฐที่สุดถ้าได้ร้องไห้แล้วนาดนะี้อยากี่น้องกิดามันด า, ดาอดภรรยาสามีตายไปแนละ้ว ร้องไห้นั่นจะเป็นการดีหาว่าอะไรอาวอนคิดถึงกันจนเขาจ้างกันร้องไห้กัม น, นี้แต่ก็ได้เจ้าท่านไมหวานั้นท่านไดงับขวนทุกข์มนนั้นด้วยสติ จังสติไปสงบปิกจนานไ้เห็นความทุกข์อันั้นเนี่ยความร้องไห้อันนั้มันไม่หายเรื่องทุกข์สติมีคุณานิสงอย่างอธิบายมานี้